สองวันหลวงพ่อไม่อยู่ลงไปกรุงเทพตั้งแต่วันที่หนึ่งฉันจะหารเสร็จวันที่หนึ่งไปมอบเครื่องมือแพทย์ที่ศรีนครินเครื่องฟอกไตอยากโยงทางกรุงเทพเขาต้องขึ้นมาจะมอบให้แก่โลงให้บาลศกกรีนครินหลวงพ่อเป็นสะพานบุญไปพบไปเจอกันที่ โรงพยาบาลก็ทำพิธีมอบให้แก่โรงพยาบาลสีนักลินแต่เป็นเครื่องที่ทันสมัยนะเป็นเครื่องที่ใหม่เอีย่ยมทันสมัยเครื่องท็อรน่าจะราคาเจ็ดแสนในสีนครินยังไม่ยังไม่มีเครื่องนี้นยังระบบหรือว่าเครื่องแบบนี้นยังไม่มีมีแต่เครื่องเครื่องล้าหลังกว่านี้อนี้หมอเขาพูดในวันนั้น กระผมเอาใจในโรงพยาบาลแต่หลวงพ่อเดินทางลงไปต่อลงไปกรุงเทพเมื่อวานนี้มูลนิธิด้วงแก้วและกับคณะที่มาพบหลวงพ่ออยากจะหลวงพ่อพูดเกี่ยวกับโรงพยาบาลศรีนครินให้คณะที่มาเยี่ยมฟัง เขาเกิดศรัทธาแล้วเขาจะร่วมสมทบตึกสงอาพาศีนครินที่แรกเขาจะถวายห้าแสนสองคนเขาจองคนและสองห้องก็คนละห้องตั้งแต่เดือนมกรานะแต่พอเดือนมิถุนานะเขาให้หลงพ่อลงไปแล้ว ได้พูดพูดให้เขาฟังเหมือนกนันเมามาวาเนเลยจะพอค่าห้องตกแต่งภายในห้อง4ล้านแปด้านจ่ายไปแล้ว2งวดวันนี้วันนี้เป็นวันที่3มิถุนา50จ่ายไปแล้ว2งวดงวดหนึ่งล้านสองวดที่สอง 9แสน6ยังเหลืออยู่งวดที่สามที่สี่ที่ห้าที่หกงวดที่สามนะครับ7แสน7แสนสองถ้าผู้ใดจะจ่ายงวดที่สามก็ได้นะหลวงพ่อไม่สมนนิ้กสิบบอกให้คณนะพวกเขารู้สิกคนมามากเลยนะเพราะวันนั้นเจ้าภาพเขาจะจัดผ้าป่านี้ด้วยแล้วก็พร้อมกันเขาก็ วกุติเสนาสนะสงคือเขาเขาทาบ้านหลังหนึ่งอยู่ในบ้านของเขาคือเป็นที่พักของสงฆ์ที่พักๆอยู่ในบ้านของเขาท่านดเรเจ้าของโครงการเนี่ยท่านเป็นลูกศิษย์หลวงตานะเคยมาบวชที่วัดหลองตาแล้วก็เป็นผู้มีศรัทธาไปละละหลายแห่งพอมาช่วงที่ท่านบอกทนดรท่านบอกว่าท่าน ไปวัดหลายแห่งเดินทางไปจกักรแม่ก็จะสร้างกุฏิขึ้นมาเพื่อให้พระสงฆ์ครูบาอาจารย์เดิมาพักพาอาศัยเวลาเดินทางแล้วก็มาโปรดญาติโยมหรือ น, นนิมนต์มาสแสดงธรรมด้วดยโปรดญาติโยมก็จะได้มาพักจะได้พบครูบาอาจารย์ดูๆแล้วก็เป็นผู้มีศรัทธาแล้วก็ถวาย เสนาสนะสูงหลังนี่นะสองชั้นมีห้องห้อ ง, องน้ำเอราวุฒิทางเดินยุตรงมจงกลมชั้นบนชั้นล่างดูแล้วสําหรับพระผููเท่านะี่เหมาะหมดแล้วนะแต่สําหรับหลวงพ่อเนี่ยยังไม่เหมาะและยังไม่แกะนะ่ะจากนั้นสัตยทายญาติโยมกลมาตอนเช้าหรือเช้านะหลวงพ่อจะคิดว่าจะได้มากน้อยแค่ไหนไม่ว่ากันหนะ้าเดินจะตกปัจจัยหลวงพ่อไม่ได้คิดอะไรมาก ใลเมื่อก่อนหน้านี้บอกว่าเราจะมีถวายภาวนาเท่านี้แต่พอมาถึงวันนี้แต่คําคิดหรือว่าคาําความตั้งใจของเราที่พูดไว้เนี่ยสัพยสมบัติมันอันนี้จังเหมือนกันนะอันนี้จังเหมือนกันเพราะนั้นอย่าหนักใจมีเท่าไหร่ก็เท่านั้นแหละหลวงพ่อมานี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะมาตามสัญญา อยากโยมมาจะกให้เท่านั้นกลับมาถึงไห้แถานี้ให้น้อยกว่าที่พูดเอาไว้คือไม่ต้องหนักใจเพราะพวกเราปฏิบัติธรรมรู้อยู่แล้วโลกไม่เป็นอนิจจ์สมัยนั้นใช่เราเป็นไปได้แต่มาถึงจุดนี้ที่เราตั้งใจไว้นะั้นมันร่อยหรอเท่าไรก็เท่านั้นนะไม่ต้องหนักใจ ในหงพ่อก็พูดอย่างนั้นผลที่ถกเขาเลยรวบรวมกันปรนนาออกมาได้หนึ่งล้านนะอ๋อหุวงพ่ออุ่นใจกับคณะสงฆ์เหมือนกันพอหลวงพ่อเป็นตัวแทนคณะสงฆ์นะไม่ใช่ของหลวงพ่อเนัเนี่ยเขาถวายมาเข้าจึกสงอาพาต1หนึ่งล้านบาทอ่มนี้เหมันมันรูสึกว่าเออดีเกินเป้าเกินเป้าไปครึ่งหนึ่งมนก อันนี่ก็คือการทำบุญสร้างบุญสร้างกุศลตั้งอยู่นความไม่ประมาทเราหาทรัพย์สมบัติมาได้เรามากินเสร็จปากเสรท้องอย่างเดียวก็เหมือนกับทิ้งลงมหาสมุทรทะเลนะ่ยมันไม่เต็มไม่พอหรอกมันเต็มไม่ไม่เต็มไม่พอด้วยความโลภไม่เต็มไม่พอด้วยการเป็นอยู่ของธาตุขันเราควรจะแบ่งทําบุญทําทานเนี่ย ใชราะว่าไม่พอมก็ไม่พอเท่าไหรก็ไม่พอถ้าเรารู้จักแบ่งมันก็พอมีน้อยก็บแบ่งกินน้อยใช้น้อยแบ่งทําบุญด้วยแบ่งทีละครั้งแบ่งทุกครั้งหรือพอแบ่งเมื่อข่าวจําเป็นมันก็แล้วจะเป็นบุญกุศลบุญกุศลนี่ยมันก็พอ่อภูมิงอกเงยขึ้นเรื่อยๆ เ, เมื่อใ น, นสงทานมีเมื่อทําขึ้นไปแล้วกใ น, น, นสงทาน ของเราเกือ้อกูลหนุนทำอะไรก็ถูกที่ถูกทางมันก็เกือ้อกูลหนุนไปเรื่อยๆทำอะไรก็ประสบความสำเร็จไปเรื่อยๆเพราะอันนี้สงฐานเรามีถ้าอันนี้สงทานเราไม่มีไปที่ไหนก็แห้งพากจิตใจเหี่ยวแห้งคนที่มาเกี่ยวข้องก็เกี่ยวแห้งไปด้วยเมื่อเหี่ยวแห้ง้าไปแล้วก็ไม่มีน้ำจิตน้ำใจไม่มีเครื่องเชื่อมในสัมพันธ์ เชื่อมโยงต่อกันได้ต่างคนก็ต่างแห่งต่างคนก็ต่างขาดกันไปอันนี้ก็คือขาดน้ําใจขาดการเสียสละขาดการให้ทานทานะเพราะนั้นการทําบุญทําทานมันเป็นเหมือนกับ น, น้ําเชื่อมนะน้ําเชื่อมของขนมนั่นแหะขนมเช่นเรื่อว่าข้าวรถช่องน ะ, ะนัน ชาวกาคนอยู่ด้วยกันไม่มีน้ำเชื่อมต่างคนก็ต่างแห้งโลกใบนี้ก็นไม่น่าอยู่เพราะฉะนั้นบางคนคิดว่าการสั่งสมคุณงามความดีการทำบุญทำทานเป็นการแข่งกันถ้าคิดแบบที่เลสก็ว่าแข่งกันแต่าตามไม่จริงกาคิดแข่งการคิดเป็นธรรมแล้วมันไม่ใช่น่าแข่งกันต่างคนก็ต่างตะเกียกตะกายหาทางคนทุกข์ของใครท้องเรา ถ้าว่าแข่งกันไปว่ามันวกวนเรียนอยู่ในโลกใครเขาว่าอยากจะอยู่ในโลกนี้นานเท่า น, านั้นอยู่ในโลกนานเท่า น, านั้นโลกนี้เป็นสวรรค์บิมานใช่ไหมเป็นบรมสุขใช่ไหมก็ไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นพอมาถึงจุดหนึ่งทางคนก็แก่เท่าชราตายก็ไม่เห็นใครวัดผลว่ามีความสุขในเมื่อใจจะขาดถามดูสิสุขไหมเดี๋ยน่นมีความสุขไหม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 แข่งแข่งกันอยู่ในความหมุนเวียนของโลกวั ต, ตวัฏสงสารการหมุนเวียนของสรรพสัตว์ถึงจะทํามากทําน้อยอะไรก็ตามทําไปเพื่อให้ตัดวัฏ ต, ต์แหวกไว้ออกจากวัฏ ต, ตะมันจึงจะถูกคือถึงจะทํามากทําน้อยก็อย่าให้ผู้ฆ่าได้มาเกิดในวัฏสงสารให้ถึงพระนิพพานโดยเร็วต้องคิดอย่างนั้นอันนั้นคือถูกตามแนวแถวพุทธประสงค์ของพระพุทธเจา้า ผบ่ายจารของพวกเราท่านก็นแนะนําอย่างนั้นอีกตามหากเพราะนั้นการที่จะทําอะไรก็าตามให้เก็บเล็กผสมน้อยเพื่อเป็นเสบียงเดินทางให้หนีออกจากโลกวัตฏสงสารไม่มาเวียนว่ายตายเกิดถึงเราจะทําทานถึงเราจะรักษาศีลให้ทานภาวนาให้มีจิตมุ่งมั่นอย่างนั้นถึงจะทำอย่างไรก็าตามหลวงปู่มั่นท่านเปรียบเทียบกับนุกทะถา นกกระทาป่าคือเขาเลี้ยงนกนกระทานกกระทามันเป็นจัดที่เลี้ยงไม่เชื่องถ้าเป็นนกเขาอย่างเชื่องถ้าเป็นนกเขาหรือไก่ป่าเนี่ยมันก็ยังเชื่องมันก็อยู่ตามลําพังของมันแต่นกกระทานี่ถึงจะเห็นคนไม่เห็นคนถ้าอยู่ในกรงของมันมันจะใช้จะงอยปากเขดเจิมตามรูรูรูกรงนะอะ กรมกรมนกกระถาเนี่ยถึงจะให้อาหารดีขนาดไหนน้ําสมบูรณ์อาหารดีเนี่ยข้าวอย่างดีอาหารอย่างดีอยู่ในนั้นพอมันกินกระตับป๊อกินเสร็จแล้วใช้ถุงอยปากกิมตามลูกกรมป๊อปป๊อปป๊ป๊ป๊ป๊๊ทั้งวันถึงคนจะเห็นหรือไม่เห็นแต่สัตว์บางตัวแล้วเห็นคนทุกคนมันถึงจะหาทางออกอย่างนบเขา ไอป่าที่ว่าเป็นขัดจัดที่กลัวคนเวลาเห็นคนยก่อนมันค่อยอจะง่อยปากมันกิ้มเพื่อหาทางออกมองหาทางแต่นกทานี่ยถึงจะเห็นคนไม่เห็นคนก็ตามก็ตามมันเสียแตนอนหลับเพราะนั้นการคืนมันนอนหลับท่านเองมันจงไม่ออกจะง่อยปากกิ้มลูกกรงถ้า น, นอกจากนั้นมามันจะกิ้มลูกกรงอยูท่ทั้งวันนกกทาป่าที่เรามาเลี้ยงไว้ เลี้ยงไว้เพื่ออะไรอพลานเขาเลี้ยงไว้เพื่อให้มันขันเอาไปในป่าให้มันขันพอขันตับตาถึงนกป่ า, ามาลุงเพื่อจะตีเพราะว่านกนี่ไปแย่งถิ่นของเขาลักษณะน่ะเป็นนกต่ อ, อ น, นั้นแหะที่เอามาเลี้ยงไวที่นี่นั่นแหะมันจะไม่คุ้นไม่เชื่อมกับมนุษย์คนไหนเท่านั้นพราะนั่นทลงปู่มันท่านเปรียบเทียบว่า ใจของเราให้ทำเหมือนอนุกกทาถึงจะมีความสุขกินอิมป้วนหมีพีมันถึงจะมีความสุขในราบรดสรเสริญสุขขนาดไหนกายจะไปนอนใจให้หาทางออกเหมือนกนกกทานะหาทางออกจากโลกเอาจะงอยปัดจิ้มลูกกงอยู่ตลอดทั้งวันถ้า เจ้าของเผอเปิดปิดกรงเมื่อไหร่นกกระทาจะบินป อ, อมาได้เมือนีนนน่ออกได้เมื่อนั้นถ้ามาเจ้าของยังปิดลุกกรงไมาอยู่ปิดฝากรงไมาอยู่นกกระทาจะต้องกระเจิมอยู่ตลอดเพื่อหาทางออกไม่ไว้ใจในการเปนอยู่ของตนเองถ้าอยู่อย่างนั้นกับมิเตทุกตายกับกรงร่างเองไม่อิสระเพราะนั้นนกกระทายังมันไม่ไม่ไว้ใจ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 ว่าเรามานอนจมนอนใจอยู่กับสิ่งเหล่านี้มีแต่ความทุกข์นั่นแหละที่จะเข้ามาทับถมเพื่อให้เราเราหาทางออกเหมือนลกกระถางหลวงปู่มั่นท่านเปรียบเทียบหน้าคิตเหมือนกันนะนะลกกระถางหาช่องหาทางถ้าไม่ช่องเจ้าของเผลอลืมปิดกรงเมื่อไหร่เรียกว่าเอากำลังเอาอาหารเข้าไปแล้วเกิดกําลังจะเอา อาหารให้ให้กินอีกนกกระทานนกกระทาได้ช่องบินอ๋อเลยนะหนีออกจากกรงเลยแล้วไม่กลับมาอีกต่างหากหายเงียบเลยเขตหลับเพราะงั้นนะอันนี้แหละพระหารถเนี่ยยิตที่ท่านหลุดพ้นแล้วท่านเข็ดหลับกับโลกมีแต่พวกเราท่านทั้งหลายนะกินอร่อยนอนหลับแย่งกันอยู่เพราะงั้นนะผลที่สุดวันนีการทําคุณงามความดีเลยหาว่าแข่งกัน แย่งกันสรุปแล้วก็คืออยากจะได้ลาอยากได้อาหารที่ก้อนโตวันั้นเถ็นแบบแบบโลกโลกนะก็คืออะไรก็คือปัจจัยสีต้องการปัจจัยสีให้ได้ก้อนโตได้มาเพื่ออะไรเพื่อธาตุขันเพื่อร่างกายร่างกายนี้นถึงจะเลี้ยงอิ่มมีพีมันขนาดไหนก็อย่างที่ว่าเป็นอื่นอยู่เสมอ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 เหมือนกระนกกระถาวันนี้หลวงพ่อให้แนวความคิดเป็นแนวความคิดให้แก่พวกเราทุกๆท่านให้ตั้งอยู่ในความไม่ประมัดให้หาทางออกจอากวัฏฏสงสารอย่าหมาเวียนว่ายใต้เกิดตายชาตินี้ถ้าเราไม่พ้นทุกเกิดใหม่ชาติหน้าก็เป็นอย่างเก่านี่แหละไม่เป็นอย่างอื่นอาจจะทุกข์กว่านี้ก็ได้คำว่ า, าสุขคืออะไรความสุขที่แท้จริง น, นั่นคืออะไรมันคงจะหาไม่เจอความสุขที่แท้จริง ความสุขก็คือความพอใจในความพอใจนั้นใช่ในขณะที่ได้มาก็พอใจแต่อีกสักพักหนึ่งเขาไม่พอใจแล้วความไม่พอใจเกิดขึ้นแล้วเป็นทุกข์มาแล้วมาแทนที่เขาหม่อันา่ อ, าอนนะนี่นี่อนุโมทนาให้พอ